สวัสดีแคทตันผู้ฟังที่เคารพค่ะนี่คือรายการสนทนาปัญหาธรรมะวันนี้ได้อรัตนาพระคุณเจ้าพระอาจารย์ปหลัดสมทบ พ, พระกโมได้มาเป็นองค์สนทนาในเรื่องของคําว่าบุญกราบอรัตนาพระคุณเจ้าค่ะขอเจริญพรพระอาจารย์ค่ะอยากจะทราบความหมายของคําว่าบุญว่าหมายความว่ายอย่างไรคะ่ะคําว่าบุญนั้นเนะ่ยโดยความหมาย โดยความหมายของคําว่าบุญแล้วเนี่ยท่านบอกว่ามาจากคาว่าอัตโนสันตานังปุนาติโสเททิติปุญยังการกระทําใดย่อมชําระจิตของตนเองให้สะอาดฉะนั้นการกระทํานั้นชื่อว่าบุญพอพูดถึงในเรื่องของคําว่าบุญแล้วเนี่ยคุณโยมลองสังเกตดูว่าเป็นคําที่สื่อธรรมที่สําคัญคําหนึ่งในทางพระพุทธศาสนา และต้องบอกว่าบุญนั้นนะ่ะยิ่งมีความสำคัญโดดเด่นเป็นพิเศษด้วยเพราะอะไรเพราะว่าในสังคมไทยเนี่ยจะคุ้นเคยแล้วก็จะชินปากชินใจกันมากที่สุดก็คือคำว่าบุญแล้วก็ถูกนำมาใช้อ้างอิงอยู่ในทุกๆ ก, กรณีในชีวิตสังคมของบุคคลที่เป็นคนไทยเลยเนี่ย mm. ก็จะต้องพูดถึงคำว่าบุญบุญกันเนี่ยมากจริง ทีนี้โดยเฉพาะคนไทยที่ใกล้วัดสักหน่อยหรือคุ้นเคยวัดสักหน่อยก็จะพูดถึงในเรื่องของบุญสามประเภทที่เ็าเรียกว่าอะไรนะทานศีลแล้วก็ภาวนา <Okay. S 1> คำเหล่านี้ทั้งสามคำเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนในความหมายที่ว่าเราใช้กันมากอย่างยกตัวอย่างบางทีเราก็เรียกกันว่าทานนามัยบุญกิจวัตถุ ก็คือหลักการทําบุญก็คือทานนี่นเลยหรือว่าศีลละไม้ศีลละไมัยบุญเกลียววัตถุ ก, ก็คือหลักการทําบุญคือศีลถ้าภาวนาไมัยบุญเกลียววัตถุ ก, ก็คือหลักการทําบุญคือภาวนาถ้าจะไปบอกว่าทานคือการให้การเผื่แผ่แบ่งปันใช่ไหมศีลก็ได้แก่ความประพฤติสุจริตตั้งกายทางวาจาเนี่ยที่ถูกต้องไม่เบียดเบียนกันและกัน ภาวนาก็คือการฝึกหัดอบรมพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาเนี่ยหรือเจริญปัญญาเนี่ยทีนี้ในความหมายของคาว่าบุญเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอย่างไรรู้ไหมพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าปุญญเมวะโสสิกเคยะเป็นต้นเนี่ยเขาท่านแปลบอกว่าคนผู้ไฝ่ประโยชน์ควรศึกษาบุญนี่แหละซึ่งมีผลกว้างขวางยิ่งใหญ่ อํานวยสุขให้คือเจริญทานพัฒนาความประพฤติ ท, ที่ชอบธรรมแล้วก็เจริญเมตตาจิตขั้นเจริญธรรมทั้งสามประการนี้อันเป็นแหล่งที่ก่อเกิดความสุขแล้วบันดิตย่อมเข้าถึงโลกันเป็นสุขไร้การเบียดเบียนอันนี้หมายถึงอะไรพระพุทธเจ้านั้นตรัสบอกว่าให้สรรพสัตว์ทั้งหลายนะั้นนะ่ศึกษาเรื่องบุญใช่ไหมในข้อแรกนะัคือให้ศึกษาเรื่องบุญ ยอมรู้ไหมว่าทำไมถึงใช้คาว่าศึกษาในเรื่องบุญเพราะว่าควรศึกษาก็คือควรปึกควรหัดควรหมั่นทาแสดงว่าบุญเนี่ยเป็นคุณสมบัติที่ควรศึกษาไหมควรค่ะควรพัฒนาหรือเปล่าค่ะควรศึกษาควรพัฒนาเพราะว่าเมื่อศึกษาและพัฒนาแล้วเนี่ยก็จะเป็นการก้าวข้าหาบุญที่สูงยิ่ ง, งขึ้นไปก็เป็นการพัฒนาตนเองให้ จเจริญงอกงามในบุญนั่นเองทีนี้ประการต่อมาก็คือว่าบุญเนี่ยโดยภาพรวมก็คือว่าในเรื่องของบุญกิริยาวัตถุที่เราจะศึกษากันแต่ละข้อแต่ละประเด็นเนี่ยนะที่จะพยายามทำความเข้าใจกันไปเรื่อยๆเนี่ยทุกวันอาทิตย์เนี่ยเราก็พยายามจะให้ทำความเข้าใจว่าโดยประเด็นสำคัญก็คือว่าการให้ศึกษาบุญก็คือการให้ร่วมหรือให มีสภาพในการที่จะอยู่ร่วมกันด้วยดีด้วยการเกื้อกูลถ้าเราพูดถึงในด้านของสังคมก็คือว่าจะทําให้สังคมนั้นเกิดการเกื้อกูลอยู่กันด้วยความสุขความสบายใจและมีการช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกันเป็นต้นอะอยางยกตัวอย่างเช่นทานเนี่ยถ้าสังคมนั้นนะมีทานกล่าวคือการให้การแบ่งปันนะประโยชน์ของสังคมก็จะได้จากการที่เอื้ออทรซึ่งกันและกัน ท้าในด้านของศีลใช่ไหศีลก็เป็นบุญเนี่ยประโยชน์ที่ได้จากศีลก็คือว่าสังคมที่ได้ก็คือการไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันอยู่กันด้วยการผาสุขไม่หวาดระแวงกันประการต่อมาก็คือว่าเกี่ยวนเน้นให้เจริญเมตตาเมตตานั้นไปอยู่ในชั้นของภาวนาทำไม้องบอกเพราะว่าการอยู่ด้วยความรักใคร่ด้วยความปรารถนาดีด้วยความผูกพัน ด้วยความเอื้อทอนซึ่งกันและกันเนี่ยสังคมก็จะเป็นสังคมที่น่าอยู่เห็นไหมลักษณะอย่างนี้ท่านจึงเน้นบอกว่าให้ศึกษาในเรื่องบุญแล้วก็พัฒนาบุญและเข้าใจในเรื่องบุญให้ถูกต้องผลจากการศึกษาบุญหรือพัฒนาบุญทั้งสาประการแล้วเนี่ยก็จะทําให้โลกนี้เนี่ยเว้นจากการเบียดเบียนหรือว่าไม่เข้าถึงการเบียดเบียนซึ่งกันและกันเขาเรียกว่าไรไงไร้การเบียดเบียน นี่เป็นอย่างนี้ทีนี้ประเด็นต่อมาก็คือว่าคนโยมเคยตั้งข้อสังเกตไหมว่าทําไมพระพุทธองค์จึงเน้นในเรื่องทานก่อ น, นใช่ไหมเป็นบุญเกลียววัตถุเนี่ยบุญที่ท่านเน้นในเรื่องของทานเนี่ยท่านตัดยกทานไว้เป็นหลักการเบื้องต้นหรือเป็นข้อแรกนั้นน่ยก็แสดงอยู่ในตัวแล้วว่าทรงเน้นอะไรเน้นการเกื้อกูลเกื้อกูลกันและกันในสังคมทีนี้ ถ้าจะถามต่อไปว่าถ้าเราจะเน้นการเกื้อกูลกันในสังคมแล้วเนี่ยประเด็นที่สําคัญที่สุดก็คือว่าทรงยกเอาทานนะั้นเป็นประเด็นสําคัญหรือเป็นเป็นข้อแรกที่จัดในเรื่องของคําว่าเน้นในเรื่องของทานกล่าวคือการแบ่งปันคือการให้นั้นเนี่ยทรงเน้นทางไว้ทานไว้เป็นหลักในบุญเกียรติวัตถุสามประการใช่ไหมจะมีคําว่าทานศีลและภาวนาซึ่งเราจํากันได้ไง่ายๆปัญหาอยู่ตรงที่บอกว่า การให้เนี่ยเกื้อกูลสังคมจริงหรือไม่ถ้าในยากของพระสูตรเน้นการให้วัตถุสิบอย่างคือให้ข้าวน้ําที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งหม่มดอกไม้ยานผานะเครื่องรูป้ายของหอมเครื่องนอนและก็เครื่องให้แสงสว่างนี่ในพระสูต ร, รพระรพระุทธเจ้าเน้นในเรื่องตรงนี้แต่ถ้าหากในเรื่องของพระพิธีธรรมท่านเน้นในเรื่องการให้รูปเสียงกลิ่นรส โพธภาแล้วก็ธรรมารมณ์ท่าในด้านของพระวินัยท่านเน้นในเรื่องของการให้อาหารเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคโดยสรุปตรงนี้คื อ, อยังไงการให้เนี่ยเมื่อสังคมอยู่ด้วยการให้ซึ่งการแลกการแล้วเนี่ยสังคมนั้นก็เป็นการเอื้ออาทรซึ่งกันและกันปัญหาก็คือว่าในการสแสวงหาวัตถุเช่นสแสวงหาปัจจัย4ี่เนี่ย มนุษย์นั้นมีโอกาสมีสติปัญญามีความสามารถเท่ากันไหมไม่เท่าเห็นมการเข้าหารูปเสียงกลิ่นรสผพธภัณ์และธรรมารมมนุษย์ในสังคมนั้นสติปัญญาและความสามารถไม่เท่ากันหรือการแสวงหาอะไรข้าวน้ำที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งหม่มดอกไม้ยานผ่านะาเครื่องรูปร้ายของหอมกลอด ถ, ถึงแสงสว่าง หรือสรุปสั้นๆก็คืออาหารเครื่องน่มผมยารักษาโรคที่อยู่อาศัยเนี่ยสติปัญญาของมนุษย์เนี่ยไม่เท่ากันเมื่อไม่เท่ากันแล้วเนี่ยความสามารถในการแสวงหาหรือที่จะได้สิ่งเหล่านั้นก็ไม่เท่ากันโดยเฉพาะโอกาสคใช่ไหมหลายๆคนเธอก็บอกว่าคนที่มีโอกาสคนที่มีกําลังคนที่มีความสามารถกว่าก็จะสามารถเข้าหาแรงวัตถุ หรือแหล่งอาหารแหล่งที่อยู่อาศัยแล้วก็ยารักษาโรคตลอดถึงแสงสว่างอะไ่างเหล่านี้ได้ได้ดีกว่าคนที่ไม่มีโอกาสหรือคนที่ไม่มีความสามารถโดยเฉพาะคนที่มีปัญญาก็จะสามารถที่มีข้อพิเศษหรือมีความสุขุมลุ่มลึกในการที่จะวิเคราะห์หรือคิดในการที่จะเข้าหาแหล่งสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายนี่มันเป็นอย่างนี้ทีนี้ถ้าสังคมไม่มีทาน ก้คือการแบ่งปันคือการให้ถามอะไรจะเกิดขึ้นใช่ไหมความาเบียดเบียนก็เกิดขึ้นเพราะคนที่มีปัญญากว่าคนที่ได้มีโอกาสมากกว่าคนที่มีความสามารถมากกว่าก็จะต้องเบียดเบียนก็จะต้องมีการซ่อนเล้นปิดบังอำพรางและก็ที่สุดจริงๆก็คือจิตใจก็เต็มไปด้วยความโลภเต็มไปด้วยความตนี่เต็มไปด้วยความหวงแหนคือไม่ได้คิดจะอะไร ไม่คิดจะสละไม่คิดจะบริจาคไม่คิดที่จะให้สังคมก็เลยเต็มไปด้วยการความทุกข์ไอคนที่ด้อยโอกาสก็เลยด้อยอยู่นั่นเลยเห็นหรือยังว่าวัตถุประสงค์ในการที่พระพุทธเจ้าเน้นในเรื่องยกทานขึ้นไว้เป็นข้อแรกนั้นเพื่ออะไรเพื่อที่ต้องการให้คนที่มีโอกาสคนที่มีความสามารถคนที่มีสติปัญญาเนี่ยเกลียหรือแบ่งปัน ความสุขจากวัตถุที่ตนเองได้นั้นให้กับบุคคลที่ด้อยโอกาสอย่างในปัจจุบันเนี่ยถ้าเราจะพูดกันนะนะไม่ว่าจะเป็นการประชุมองค์การการค้าโลกหรือประชุมเอเปกอะไรก็แล้วแต่ที่ผ่านๆไปเนี่ยวัตถุประสงค์จริงๆก็คือเรื่องเนี้ยเรื่องทานได้ส่วนมากคือเรื่องทานเรื่องทานก็แปลว่าจะทํำยังไงการจะมีการ จัดสรรเรื่องข้าวเรื่องน้ำเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องเครื่อ ง, องนุ่งห่มเป็นต้นเนี่ยเรื่องยารักษาโรคเนี่ยโดยสรุปก็คือเข้ามาพูดกันว่าเป็นเรื่องเศรษฐกิจใช่ไหมใช่ทุกวันที่มีปัญหาเพราะอะไรเพราะคนมีปัญญาในทางที่จะเห็นแก่ตัวมากขึ้นเห็นแก่ประเทศชาติของตนเองมากขึ้นก็เลยมีการเอารัดเอาเปรียบใช่ไมการเอารัดเอาเปรียบนี่เพราะอะไรอะ พาอไม่ได้ศึกษาคำสอนไม่ได้ศึกษาคำสอนในทางศาสนาในทางพุทธศาสนาว่าพระพุทธเจ้าเน้นทานเนี่ยว้าเป็นหลักเริ่มแรกเพราะเห็นว่าสำคัญไงคนที่แหล่งหาสแสวงหาวัตถุได้ง่ายมีความสามารถมากกว่ามีสติปัญญามากกว่าถ้าไม่รู้จักสละแบ่งปนันหรือให้โอกาสคนอื่นจริงๆแล้วเนี่ยที่เขาใช้คาว่ากินคนเดียวไม่สุข ใช่ไหกินคนเดียวไม่มีความสศกหรอกอย่างยกตัวอย่างถ้ามีประเทศใดประเทศหนึ่งหรือคนใดคนหนึ่งรวยอยู่คนเดียวเนี่ยไอคนรอบข้างมนจนหมดเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นไอคนรวยเลยลาบากใ ช, ใช่ไหมทีนี้การแบ่งเนี่ยการแบ่งจัดสรรกันกรเรื่องทานวัตถุเนี่ยท่านจึงเน้นข้อสุดท้ายคาว่าภาวนาเนี่ยที่สังเกตเห็นเมตตาเนี่ย ไม่ใช่แบ่งกันด้วยเล่ห์เหลี่ยมใช่ไหมถ้าแบ่งกันด้วยเล่ห์เหลี่ยมเนี่ยมันมีในย่าว่ามันไม่ได้ให้ด้วยเมตตาจริงๆมันไม่ได้ด้วยจิตที่คิดจะให้โดยการเอือ้อโดยการอาทรโดยการแบ่งปันด้วยจิตที่เป็นเมตตาปรารถนาจริงๆแต่มันลักษณะว่าให้สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เพื่อต้องการจะแลกเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์กับอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ย ถ้าคิดในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเห็นแก่ตัวใช่ใชเพื่อนก็ไม่ชอบนะัสังคมในการที่จะคบค้าสมาคมกันเนี่ยฉะนั้นในด้านของสังคมเนี่ยไม่ใช่สังคมระดับหมู่บ้านระดับอำเภอจังหวัดระดับประเทศอย่างเดียวเนี่ยระดับโลกสังคมนั้นจะอยู่ด้วยการที่ว่ามีความสุขโดยการแบ่งจัดสรรวัตถุเนี่ยให ให้ให้ด้วยจิตที่มีเมตตาเป็นต้นเนี่ยสังคมก็จะไร้การเบียดประการต่อมาล่ะท่านเน้นในเรื่องอะไรนี่พูดโดยรวมก่อนนะท่านเน้นเรื่องศีลทาไมจึงเน้นเรื่องศีลเพราะถ้าไม่มีศีลเนี่ยความวุ่นวายเกิดเลยใช่ไหมก็มีการเข็นฆ่ากันมีการรังแกกันมีการที่จะเอารัดเอาเปรียบกันมากมายจริงๆเพราะคนไม่มีศีล ศีลไม่เป็นหลักใจในการที่จะนําไปเป็นหลักปฏิบัติเนี่ยชีวิตก็อยู่กันด้วยความทุกข์ด้วยความเดือดร้อนก็ป้องกันกันวะใช่ไหมจ๊ะใจมันไม่มีศีลเนี่ยถึงป้องกันมีวัตถุสิ่งของป้องกันขนาดไหนก็ไม่อยู่หรอกที่สุดจริงๆก็หาโอกาสจะได้เลยนี่เป็นอย่างนี้ทีนี้ประการต่อมาที่จะต้องทําความเข้าใจก็คือว่าในเรื่องของทานเนี่ย ความจําเป็นและความสําคัญของวัตถุก็คือขอบเขตที่ต้องสํานึกและตะหนักไว้ก็คือว่าการมีวัตถุเพียงพอหรือพรั่งพร้อมเท่านั้นยังไม่พอที่จะให้ชีวิตและสังคมดีงามใช่ไหมสมมุติว่าเอาอุยวัตถุข้าวก็เพียงพอที่อยู่ก็เพียงพอนีอยารักษาโรคก็เพียงพอและอะไรเนะี่ยยานพาหนะก็เพียงพอแสงสว่างอะไรต่างเพียงพอ สรุปก็คือทานเนี่ยเพียงพอถามว่าเป็นหลักประกันที่จะทําให้โลกหรือสังคมร่มเย็นได้หรือยังยังไม่ได้หรอกทําไมถึงยังไม่ได้มีทานอย่างเดียวถ้าศีลไม่มีน่ะหรือถ้าทานอย่างเดียวศีลไม่มีเมตตาอย่างเดียวไม่มีเป็นต้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นหลักประกันในการที่จะทําให้ทานว่าทานนี้เท่านั้นนะที่จะทําให้สังคมอยู่ได้ดีแล้วก็มีความสุข ฉะไอ้คำว่าเศรษฐกิจเนี่ยแท้ที่จริงก็คือปัจจัยปัจจัยเครื่องอาศัยนั่นเองเช่นเนี่ ย, ยที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มเป็นต้นเนี่ยไม่ว่าจะมองในแง่ของพระสูตรพระพิธารรมหรือพระวินัยพระองค์ตรัสไว้เบเ็ดเสร็จนะในนั้ น, นเนี่ยไปศึกษาดูก็จะรู้ว่าพระองค์นั้นเนี่ยกำกับในเรื่องว่าแท้จริงพระองค์สอนในเรื่องเศรษฐกิจเขาว่าปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพูดในเรื่องคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงใช่ไหม ก็คือนำคำสอนของพุทธเจ้านั้นมามาม า, มาประยุกต์มาใช้นั่นแหละฉะนั้นในเรื่องของทานยังเข้ามาอยู่ในระบบของการพัฒนามนุษย์ใช่ไหมพัฒนามนุษย์ก็คือทานนั้นมาเป็นบุญกิจวัตถุได้อย่างไรถ้าทานนั้นมาเป็นบุญกิจวัตถุทานนั้นเป็นบุญกิยาคือเป็นการทําบุญซึ่งแปล ง, ง่ายๆก็คือว่าเป็นการทําความดีเพราะบุญก็แปลว่าความดีแต่โดยสาบคําว่าบุญเนี่ยเขแปลว่าอะไรนะเมื่อกี้ บอกว่าเครื่องชําระสิ่งที่ทําให้สะอาดคือคุณสมบัติที่ทําให้บริสุทธิ์คุณสมบัติที่ทําให้เกิดภาวะที่น่าบูชาและน่ายกย่องนับถือก็ได้ไม่ได้สองอย่างเช่นทานคือการให้การแบ่งปันเนี่ยเมื่อให้แล้วในชําระอะไรชําระจิตใจให้บริสุทธิ์ระดับหนึ่งคือชําระล้างกิเลสระดับหนึ่งเช่นความตนีความหวงแหนความเห็นแก่ตัวนี่ไหมไอ้ตรงเนี้ย พอเราสละเราให้เราบริจาค ก, ก็เลยสละสิ่งต่างๆเหล่านี้ออกจากจิตอย่างนี้เขาเรียกว่าได้ในแง่ของคำว่าชำระชำระอะไรชำระจิตนั้นให้เข้าถึงความสะอาดบริสุทธิ์ได้ระดับหนึ่งฉะนั้นพระองค์เน้นในเรื่องของการให้ทานแต่ถ้าให้ให้สังเกตด้วยนะก็ยอมลองสังเกตดูตีวบางทีเราให้เนี่ยให้แต่ว่าไม่ได้สละ คือจิตไม่ได้สละหรอกอย่างนั้นอย่างหนึ่ง <Okay. S 1> ให้แล้วหวังเช่นว่าเราจะให้แต่อย่างนี้เพื่อจะได้ให้มากขึ้นเนี่ยอย่างนี้ไม่ได้สละหรอกความรู้สึกที่จะสละความเห็นแก่ตัวหรือสละความตนีความโลภมันไม่มีหรอกแต่มันให้แล้วมันมีวัตถุประสงค์เพื่อจะเอามีเยอะเลยใช่ไหมฉะนั้นการให้พระองค์จึงเน้นประการแรกคือว่าเน้นการชาระชาระจิต ให้เข้าถึงความสะอาดให้เข้าถึงความหมดจดเนี่ยพระองค์เน้นเน้นประเด็นในข้อ น, นี้ส่วนประเด็นต่อมาท่านเน้นในเรื่องของการให้โดยให้โดยใด น, นะภาวะที่น่าบูชาก็คือว่ายกย่อ ง, อ ง, องนับถือเช่นเราบูชาเคารพใครเราก็ไปให้ท่านคนนั้นเราเคารพพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราก็ไปให้นนะ เ, รรใหเราก็ไปสละใช่ ไ, ไมลักษณะนี้ให้โดยปาราการภาวะที่จิตเราคิดที่จะบูชา แล้วก็ไปให้เหมือนกัน อ, อย่างยกตัวอย่างชเช่นเราถวายพระเนี่ยล้วก็บูชาคุณของท่านนั่นแหละเพราะว่าท่านนั้นไม่ได้ทำเลือกส่วนไรนาเนี่ยท่านอยู่ด้วยการมีชีวิตเนื่องด้วยผู้อื่นท่านประกอบคุณความดีเนี่ยเราเคารพเรานับถือเราบูชาแล้วเราปรารถนาเรื่องบุญกุศลเราก็ให้นี่เป็นอย่างนี้ แค่นั้นเรื่องการให้อย่างเดียวเนี่ยมันเป็นความอิสระทางด้านจิตใจเนี่ยมันทําให้จิตเราเปิดกว้างขึ้นอิสระขึ้นแต่ถ้ายิ่งให้จิตยิ่งแคบยิ่งให้จิตยิ่งแค บ, แบอันนั้นไม่เป็นทานหรอกนะมันเหมือเป็นแต่อาการกิริยาให้แต่แต่ภาวะที่จิตเข้าถึงความสะอาดหรือได้คุณสมบัติความสะอาดความผ่องแผ้วเนี่ยมันไม่ได้หรือบางทีให้ แล้วจิตไม่ได้คิดที่จะบูชาไหมทีนี้ให้อีกอย่างหนึ่งดังที่ได้กล่าวมันจะเลยภาวะตรงนี้ไปก็คือให้ด้วยการอนุเคราะห์ช่วยเหลือแบ่งปันเช่นว่าคนที่มีโอกาสมากกว่าก็ให้ผู้ด้อยโอกาสหรือคนที่มีโอกาสน้อยกว่าแลหลายอย่างใช่ไหมเป็นภาวะของการให้ัรงนั้นนี่เป็นอย่างนี้พอมาสรุปตรงนี้นะคุณยอมลองสังเกตดูที่ว่าทานเนี่ยเป็นเครื่องเกื้อหนุนสังคมไหม เป็นตัวริบสลักเลยซ้ไปทำให้สังคมนั้นไม่กระจัดกระจายหรือไม่แตกไม่แยกจากกันเป็นตัวเชื่อมเชื่อมเป็นตัวประสานได้อย่างดีเลยคนที่จะทะเลาะกันลองเอาของไปให้กันนะเข้านะเข้าก็ดีกันได้ให้บ่อยๆก็ดีบอกโยรู้อย่างนี้โกรธมากคนนี้ก็ดีแล้วจะได้ได้เยอะๆฉะนั้นการให้เนี่ยมันเป็นภาวะที่น่ายน่ายกยองเป็นงนี้ทีนี้พร้อมกันนั้นน่ะ ท่านเน้นในเรื่องของคำว่าศีล น, น, นะเนะเพราะว่าการให้นั้นก็คือว่าต้องต้องมีศีลด้วยจะได้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันถ้าถึงขนาดว่าจิตใจจะได้ไม่รู้สึกในเรื่องการที่ว่าที่พูดในเรื่องคําว่าภาวนานะที่ที่เดินตายลําดับเลยเบนิดนึ่งในเรื่องแต่ท่านในในคาถาที่ยกมาคาถาแรกเนี่ยท่านเน้นในเรื่องของคำว่าเมตตาถ้าพูดถึงเมตตาก็เลยไปถึงกรุณามุทิตาแล้วเบขาด้วยก็แล้วกันใช่ไหม ก็คือเน้นบอกว่าให้มนุษย์ให้สัตว์โลกให้ให้มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยให้อยู่กันด้วยการเจริญเมตตาด้วยอบรมเมตตาหรือ พ, อพ่อปู่เมตตาและศึกษาเมตตาด้วยเนี่ยและให้เข้าใจเมตตาศึกษาเมตตาแล้วก็พัฒนาเมตตาด้วยไม่ใช่ว่าเรามีเมตตาแล้วเรามีเมตตาแล้วเนี่ยแต่ในจิตใจเต็มไปได้วยความอาฆาตพยาบาทถ้าอย่างนี้ไม่ใช่ เมตานั้นต้องเกิดจากภาวะจิตที่เกิดขึ้นจากการรักการเมตตาและเ อ, อื้อในขณะที่เขาเห็นบุคคลต่างๆ ต, ง ต, งตกทุกข์ได้ยากก็กรุณาใช่ไหมกรุณาเขาแบ่งปันความสุขให้เขาในขณะที่เขามีความสุขก็เจริญมุทิตารู้จักที่จะแสดงความยินดีบุคคลอื่นบ้างเนี่ยแล้วก็รู้จักที่จะวางเฉยต่อสิ่งหรือบางอย่างที่ ไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรต่างๆได้รู้จักที่จะมีปัญญาในการกำกับทีน่นี้ทานบุญกิริยาก็คือการทำบุญด้วยการให้จึงเป็นปัจจัยแก่ภาวนามันจะเป็นปัจจัยแก่การตา ม, ตามลำดับจิตของคนเราเนี่ยเวลาสละเวลาให้เวลาแบ่งปันไปแล้วเนี่ยจิตจะเข้าถึงศีลแล้วก็จะเป็นปัจจัยแก่การเยริญเมตตาได้เป็นอย่างนี้ ทีนี้พระองค์จึงตรัสอีกคำหนึ่งวอกว่าภิกษุทั้งหลายคําว่าบุญนี้เป็นชื่อของความสุขที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่ารักและน่าพอใจฉะนั้นเวลาพูดถึงในเรื่องบุญเนี่ยมันรวมเยอะพระองค์จึงบอกว่าเป็นชื่อของความสุขนะที่จริงอผลนะ่ยคนที่ให้เนะี่ยจริงๆแล้วจิตมีความสุขทท่งนั้นแหละคนที่จะสละที่จะให้เนะี่ยถ้าไม่สุขใจเนะี่ยหลายๆคนก็คงไม่ให้กันนาะ ถ้าให้ปั๊บล้ทุกเนี่ยไหม <Okay. S 1> เป็นเชื่อของความสูงจริงและน่าปรารถนาน่าไข่น่ารักน่าพอใจหรือการเจริญเมตตาเนี่ยถามว่าเป็นความสุขไหม <Okay. S 1> เป็นความสุขใช่ไหะการเจริญเมตตาเวลาเจริญมากๆเนี่ยน่ารัก <Okay. S 1> น่าไข่น่าพอใจทั้งนั้นฉะนั้นบุญนั้นเนี่ยในขั้นของภาวนาท่านจึงเน้นท่านจึงเน้นในลักษณะว่า ต้องศึกษาเรียนรู้ให้ถูกต้องนีประการต่อมาก็คือว่าการให้เพื่ออนุเคราะห์เราก็รู้แล้วคือให้แก่บุคคลที่ตกทุกข์ได้ยากหรือบุคคลที่ด้อยโอกาสถ้าให้ที่จะบูชาก็คือให้แก่ใครให้แก่ครูบาอาจารย์ให้แก่พ่อแม่ให้แก่พระเป็นต้นนะนะเคยสังเกตไหมว่าทำไมคนทั้งนิยมให้กับพระพระเนี่ยพระสงฆ์เนี่ยมีวิถีชีวิตที่มุ่งสละใช่ไ เว้นการหาความสุขทางด้านวัตถุพระต้องอย่างนั้นนะชีวิตของพระเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็การดารงชีวิตของท่านก็อยู่แบบไม่สะสมและมุ่งที่จะฝึกฝนพัฒนาตนเองให้ก้าวเข้าสู่สิกขาคือศีลสิกขาจิตสิกขาและก็ปัญญาสิกขาวิถีชีวิตของพระเป็นอย่างนั้นฉะนั้นจุดมุ่งหมายของพระนั้นไม่ใช่บรรลุวัตถุ วัตถุหรือทานหรือว่าวัตถุปัจจัยทั้งหลายไม่ใช่บวชเข้ามาแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์ของพระไม่ใช่อยู่ที่ว่ามีที่อยู่หลังใหญ่ใช่ไหมมีรถหรือว่ามีอาณาจักรมากๆมีโอ้โหข้าวของเครื่องใช้เต็มไปหมดอันนั้นไม่ใช่วัตถุวัตถุประสงค์ของพระเป็นรูปธรรมหรือเป็นนามธรรมเป็นนามธรรมใช่ไม้มนามธรรมในที่นั้นคือศีลคือ ศีลคือจิตที่ฝึกศีลที่พัฒนาดีขึ้นจิตที่พัฒนาแล้วก็ปัญญาที่พัฒนาดีขึ้นโดยมุ่งหวังในการที่จะสละและในการที่จะละกิเลสทั้งหลายนันจุดมุ่งหมายของพระอยู่ตรงนั้นทีนี้คนที่ศึกษาหรือเข้าใจหรือชาวพุทธที่เข้าใจตรงนี้ท่านจึงคิดว่าเอพระเนี่ยท่านมุ่งทำสิ่งที่บุคคลอื่นทาได้ยาก และก็ท่านก็หลังจากท่านศึกษาเรียนรู้ประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ท่านก็ทำหน้าที่ดำรงทำไว้ให้แก่สังคมเผยแผ่คำสั่งสอนเพื่อประโยชน์สุกแก่พระหูชนประชาชนนี่เป็นอย่างนี้ฉะนั้นประชาชนหรือสังคมจึงเข้ามาเลยอุปถัมสนับสนุนบารุงท่านด้วยปัจจัยสี่ใช่ไหมดังที่ได้กล่าวมีอะไรที่อยู่อาศัยอาหารเครื่องนุ่งหม่มแล้วก็ยารักษาโรคตามสมควรนี่เป็นอย่างนี้ พราะว่าพระสองนั้นอุทิศตัวอุทิศเวลาให้แก่การทําหน้าที่ในทางด้านของนามธรรมาด้วยความเต็มที่เนี่ยโดยไม่ต้องห่วงกังวลทางด้านวัตถุถ้าท่านยังจะต้องไปห่วงกังวลทางด้านวัตถุโอยวุ่นวายเลยใช่ไหมใช่ที่เป็นอย่างนี้วิถีของพระเป็นอย่างนี้เราก็คารวะทั้งหลายก็ให้ความสะดวกสบายท่านในด้านวัตถุท่านก็ไม่ห่วงกังวลเรื่องนี้ท่านก็ทำหน้าที่ของท่านเต็มที่เลยเนี่ยนี่เขาเน้นตรงนี้ ทีนี้จากความสัมพันธ์กั น, นในทางพุทธศาสนาเนี่ยท่านจึงจัดความสัมพันธ์ที่ชัดเจนไว้เป็นวิถีชุมชนของชาวพุทธพระพุทธเจ้าท่านจัดว่าเป็นอะไรเขาเรียกว่าเป็นพุทธบริษัทพุทธบริษัทมีเท่าไหร่มีสี่ใช่ไหมพิกษุภิกษุณี อ, อุบาสกและอุบาสิกาเนี่ยทีนี้คืออืนถ้าในปัจจุบันก็มาแบ่งก็แบ่งฝ่ายบรรพชิตแล้วก็ฝ่ายเครือขัดนี่นะ แบ่งอย่างนั้นฉะนั้นพระสงค์ให้ธรรมทานสั่งสอนแนะนําให้ท ร, ร ม, มาแ ก, ก่ชาวบ้านชาวบ้านก็ถวายอามิสสถานคือการให้สรุปแล้วอยู่กันด้วยการเอือ้ออาศัยซึ่งกันและกันไหมอาศัยซึ่งกันและกันไห ม, มเข้าในหลักที่บอกว่า<ม>เสือพีเพราะป่าปกป่ารกเพ่อเสืออย่างดินเย็นพ่อหญ้าบางยายังหญ้าอย่างพ่อดินดีใช่ไหมย<ม>่มเข้าลักษณะนี้ความเอือ้อถอนสังคมเป็นอย่างนี้นะ ระหว่างพระกับชาวบ้านเนี่ยที่เอื้ออาทรมุ่งหวังประโยชน์แก่กันและกันเนี่ยเป็นอย่างนี้นี่เป็นอย่างนี้ฉะนั้นลักษณะนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าจึงตรัสบอกภิกษุทั้งหลายพราหมณ์และเหล่าชาวบ้านเป็นผู้มีอุปการะมากแก่พวกเธอโดยเป็นผู้บำรุงเลี้ยงด้วยจีวรบัณฑิตเสนาสนะเออบินทบาทเสนาสนะเพศัตว์บริขารแม้เธอทั้งหลายก็จงเป็นผู้มีอุปการะมากแก่พราหมณ์และชาวบ้าน โดยการอะไรโดยการแสดงธรรมประกาศการครองชีวิตที่ประเสริฐให้แก่เขาท่านครือส่าและบรรพชิตยอยู่คลองชีวิตอันประเสริฐด้วยการอาศัยซึ่งกันและกันด้วยอามิสทานและธรรมทานเพื่อผ่านล่วงห่วงกิเลสและกําจัดทุกข์ให้หมดสิ้นไปโดยชอบโดยสรุปคือตรงนี้ว่าพระกับชาวบ้านเนี่ยถามว่าเวลาเกื้อกูลกันและกันเนี่ยพระให้ธรรมทาน ชาวบ้านให้อามิสสถา น, ถานใช่ไหมอามิสสถานคือให้วัตถุสิ่งของเมื่อให้สิ่งของซึ่งกันและกันอย่างนี้แล้วเนี่ยพระมีหน้าที่อะไรแสดงธรรมเพื่อจะปลดเปลื้องความทุกข์ให้กับชาวบ้านเขาใช่ไหมอะไรเป็นเหตุให้เกิเกดความทุกข์คือกิเลสไงและท่านยังเน้นด้วยเนะยท่านเน้นโดยหลักปฏิบัติในขีวินัยเขาไว้บอกว่า วินัยของคณะรหัสเนี่ยชาวบ้านปฏิบัติต่อประสงค์นั้นปฏิบัติอย่างไรใช่ไชาวบ้านนั้นต้องปฏิบัติทำสิ่งใดก็ทำด้วยเมตตาประการต่อมาคือว่าจะพูดสิ่งใดก็พูดด้วยเมตตาใช่ไหมแล้วก็จะคิดสิ่งใดก็คิดด้วยความด้วยเมตตาหรือหรือด้วยความเต็มใจในนี้ดึกต้อนรับด้วยความเต็มใจแล้วก็จัดถวายของใช้ของฉัน เมื่อพระได้รับอนุเคราะห์อย่างนี้แล้วเนี่ยถามว่าจะอนุเคราะห์ชาวบ้านเขาด้วยหลักปฏิบัติอย่างไร<ะ>ท่านก็เน้นเขาว่าท่านบอกว่าห้ามปรามอย่าให้เขาทําชั่วอห้ามปรามเขาแนะนําเขาอย่าให้เขาทําชั่วแล้วก็สั่งสอนชักจูงให้เขาทําความดีดีระดับทานดีระดับศีลดีระดับภาวนา น, นั่นหน้าที่ของพระอนุเคราะห์ด้วยน้ําใจอัน ง, งามเช่นบอกแหล่งความรู้ ทำมาให้นี่หน้าที่ของพระเนะียให้ได้ฟังถ่งสิ่งที่ยังไม่เคยฟังแล้วก็ทําสิ่งที่เคยฟังนั้นให้แจ่มแจ้งประการสุดท้ายก็คือว่าบอกหนทางสุขติให้บอกในทางนี้นะ <c oughs> ทางนี้ไปสุขตินะว่างเงี้ยให้บอกฉะนั้นถ้าได้ยินพระท่านสอนมากๆก็อย่าไปเบื่อกันแล้วกันท่านทําหน้าที่ของท่าน <c oughs> ท่านทํางานของท่านเนี่ย ท่านต้องการอย่าอนุเคราะห์หรือบอกทางสวรรค์ให้แต่โยมไม่รู้โยมอยากไปกันบ้างหรือเปล่าหรือทางสวรรค์เนี่ยนะทางสุขตีนเะนี่ยนะใน ล, ลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าระบบความสัมพันธ์ของสังคมนะพระพุทธเจ้ายังได้ทรงบัญญัติข้อปฏิบัติวินัยเข้าไว้เนะไม่ให้ภิกษุประกอบอาชีพแต่ให้อยู่ในด้วยปัจจัยสี่ที่ชาวบ้านเขาถวายโดยโดยให้มีความสันโดษให้เป็นคนเลี้ยงง่ายเนะี่ย อีกทั้งโดยทั่วไปก็คือว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะข อ, อพระนี่ขนาดนั้นเลยนะพระเจ้ากํากับเขาไว้นะเหตุที่ทําอย่างนั้นก็เพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นความยุ่งยากเพราะชีวิตนั้นอยู่ด้วยหลักการก็คือว่าโดยการที่อยู่ด้วยอาศัยคนอื่นเขาเนะี่ยก็คือว่าพระสงฆ์ก็ต้องประพฤติตัวและทําหน้าที่ของตนให้ควรแก่ของที่เขาถวายนั่นก็เป็นหน้าที่นะฉะนั้นหลักการสัมพันธ์เนี่ย มีหลักอยู่ว่าทานเนี่ยนะทานเนี่ยอย่างสูงคือการให้แก่ส่วนรวมให้สังเกตดูนะถ้าอย่างสูงเนี่ยท่านให้ส่วนรวมเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมที่เขาเรียกว่าสงหรือทั้งเรียกว่าบางทีก็บอกถวายสังฆทานถวายสังฆทานเนะี่ยทานอย่างสูงมีผลมากที่สุดเนพิจารณาตามหลักการก็รู้ว่ว่ า, วาภิกษุที่ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยเนี่ยมีชีวิต มีความเป็นอยู่ส่วนตัวน้นนอยมากโดยมากท่านอยู่ด้วยภาวะโดยการส่วนรวมท่านเน้นในเรื่องของการที่บอกว่าให้เป็นการส่วนรวมนั้นอ น, นิสง์ก็จะเยอะเนี่ยงั้นภิกษุแต่ละรูปเป็นตัวแทนของชุมชนนะนี่เป็นอย่างนั้นคือหมายถึงชุมชนของสงฆ์ประการต่อมาคือว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนก็ไว้สิ่งที่น่าคิดอีกอย่างหนึ่งก็คือคำว่าวิจัยยะ า, านังสุขตับปัสสัทธทังเนี่ย พระ อ, องค์ตรัสบอกว่าการพิจารณาเลือกเฟ้นแล้วจึงให้วิจัยยาทานน่ยคือท่านสอนว่าเป็นกรรมที่พระสุคต ท, ทรงสรรเสริญก็แปลว่าเวลาจะให้เนี่ยพระ อ, องค์ให้วิจัยให้พิจารณาให้ตรวจสอบให้ดีประการแรกคือหนึ่งทายกคําว่าทายกแปลว่าอะไรผู้้ใหแปลว่าผู้ให้ผู้ให้เป็นผู้มีศีมีคุณธรรมโดยเฉพาะดูที่เจตนาอย่างไรเช่น เจตนาในขณะที่จะให้นั้นประกอบไปด้วยเมตตาประกอบด้วยกรุณาหรือตั้งใจที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้รับจริงๆไหมเนี่ยฉะนั้นดูในลักษณะที่จิตใจประกอบด้วยศรัทธาไหมจิตใจเบิกบานไหมไม่ขุนมัวหรือไม่ตรงนี้เขาเรียวกว่าทายกเห็นไหมควาตรงนั้นปักเด็นสําคัญประการต่อมาก็คือปฏิคฆาหกปฏิคฆาหกนี่ต้องมีศีลไหมต้องเป็นผู้ประกอบบริบูรณ์ด้วยสี เห็นไหมท่านให้วิจัยนะว่าหนึ่งทายกสองปฏิคาหกคือผู้รับประการต่อมาคือทายธรรมคือสิ่งของที่จะเอาไปมอบให้นั้นน่ะได้มาโดยสุจริตได้มาโดยบริสุทธิ์ไหมเห็นไหมท่านวิจัยให้วิจัยทานไงและประการต่อมาก็คือว่าแค่นั้นยังไม่พอนะต้องดูปุปพระเจตนาเจตนาก่อนให้ว่าเป็นเจตนาที่ประกอบไปได้วยเมตตากรุณาหรือปรารถนาดีมุ่งหวังสละบริจาคหรือไม่ หรือมุนจัเจตนาเจตนาขณะให้ใช่ไหมว่าในขณะให้จิตใจก็มุ่งมั่นได้ถูกต้องไหมหรือประการสุดท้ายคืออภะราเจตนาเจตนาหลังจากให้แล้วเนี่ยใช่ไหมท่านให้วิจัยทานให้ถูกต้องเมื่อวิจัยทานได้ถูกต้องอย่างนี้แล้วให้และสละเถิด อ, อย่างนี้แหละจึงจัดว่าเป็นทานและค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นี่เป็นอย่างนี้ในเรื่องการ เจริญบุญหรือศึกษาในเรื่องบุญนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญดังที่ได้กล่าวเนียเมื่อเราศึกษาในเรื่องบุญหรือเจริญบุญกันได้ถูกต้องเนี่ยประการสําคัญก็คือว่าไปศึกษาความหมายดังที่ได้กล่าวที่บอกว่าบุญนั้นน่ะเป็นเรื่องของการชําระจิตให้เข้าถึงความสะอาดเข้าถึงความหมดจดนะประการแรกเนี่ยและบุญนั้นก็เป็นภาวะที่ควรทําให้เต็มนะประการต่อมานั้นก็หมายความว่า ถ้ายังไม่มีก็เพิ่มเติมให้มีมากขึ้นนะเมื่อเพิ่มเติมให้มีมากขึ้นอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าทานเอนเอยศีเนยภาวนาเออยเป็นต้นเนี่ยให้ไปพิจารณาดูว่าเมื่อเราศึกษาในเรื่องคําว่าบุญดีๆแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าใจกว้างขึ้นและไม่เข้าใจแคบเพราะถ้าเราศึกษาในเรื่องบุญนี่นะไม่ถูกต้องหรือปฏิบัติกับบุญไม่ถูกต้องแล้วเนี่ยเราก็จะปฏิบัติผิด เมื่อปฏิบัติผิดหรือทําความเข้าใจผิดในเรื่องคําว่าบุญแล้วเนี่ยไปไปมามาแล้วเราก็แยกกันเบ็ดเสร็จเลยอย่างเช่นบุญเห็นไหมทานก็อีกอย่างหนึ่งบุญก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยพอเราไปแยกอย่างนี้แสบแสดงว่าไม่ได้ศึกษาในเรื่องบุญให้ถูกต้องก็เลยก็เลยไปเข้าใจว่าทานนั้นไม่เป็นบุญเห็นไหมบางคนถึงบอกว่าให้แก่พระเป็นบุญให้แก่สัตว์ได้ดาฉานเป็นทานเนี่ย ไปไปมามาเลยว่าไปแยกกันทั้งๆ ท, งที่ทานก็คือเป็นหนึ่งในจํานวนของบุญเนี่ยบุญกิริยาวัตถุนั้นมีทั้งสิบอย่างเนี่ยทานนั้นเป็นบุญข้อแรกเห็นไหมการให้การสละการบริจาคเนี่ยเป็นข้อแรกเท่านั้นเด็กแต่ว่าการให้เนี่ยถามว่าบุญจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็แปลว่าในขณะนั้นจิตใจเรานั้นสละบริจาคหรือว่าจิตใจเราได้สละความตณหนีเป็นต้นได้หรือไม่ ฉะนั้นถ้าประชาพชนศึกษาในเรื่องบุญกันได้อย่างถูกต้องแล้วเนี่ยการทําบุญของพวกเรานั้นก็จะไม่ควยเควะแล้วก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่ความเจริญงอกงามและเข้าถึงความสุขได้ดังที่ได้กล่าวค่ะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์ประหลัดสมทบประกะโมวัดกลางบางประมาจังหวัดสุพรรณบุรีไว้ณนะโอกาสนี้นะคะ คาะท่านผู้ฟังที่เคารพเขาเวลาสำหรับรายการสนทนาปัญหาธรรมะขอจักลาไปก่อนขอให้ทุกท่านเจริญในธรรมนะคะขออนุโมทนาค่ะ สวัสดีค่ท่านผู้ฟังที่เคารพคะนี่คื อ, อรายการสนทนาปัญหาธรรมะคราวที่แล้วก็ได้สนทนาในเรื่องของบุญแล้วก็ได้ทราบว่าบุญหมายความว่าอย่างไรทีนี้พระอาจารย์ท่านก็ได้กล่าวถึงบุญกริยาวัตถุไว้ในส่วนหนึ่งพูดถึงเรื่องของวัตถุทานตามความหมายทางพระสูตรทางพระวินยัยทางพระอภิธรรมซึ่ง วันนี้ก็ได้อารัตนาพระคุณเจ้าพระอาจารย์ปลัดสมทบประกโมมาสนทนากันต่อในเรื่องของบุญกริยาวัตถุ1ิบค่ะข อ, อนรมัสการพระคุณเจ้าค่ะขอจะเจริญพรนะพระอาจารย์คะวันนี้อยากจะสนทนาในเรื่องของบุญโดยเฉพาะบุญกริยาวัตถุ1ิบต่ อ, อในบุญกริยาวัตถุนั้นหลายคนก็ได้ทราบกันว่ามีเรื่องของทาน ศีลภาวนาอัปจายณะเวี ย, นะ ว, ยวัจจะปติทานป ต, ตานุโมทนาธรรมสวรณธรรมเทศนาทิฏฐุชุกรรมทีนี้วันนี้อยากจะพูดกันเรื่องของทานค่ะอรัธนาค่ะเขาจเจริญพรในเรื่องของบุญกิาวัตถุในครั้งที่แล้วได้พูดในเรื่องของบุญดังที่โยมได้ได้พูดมา ดังที่ได้กล่าวนะบุญนั้นเนราะพมีความหมายว่าเกิดขึ้นในจิตใจใดก็ชาระจิตจิตใจนั้นให้หมดจดดังที่ได้กล่าวว่าจิตใจก็สะอาดนั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นสภาวะหรืออนุภาพของบุญทีนี้เมื่อพูดถึงในเรื่องของบุญก็ย้อนไปดูตรงกันข้ามก็คือว่าบาปบาปนั้นเขาแปลว่าสภาวะที่ทำให้ถึงทุกข์ ทำไมจึงบอกว่าบาปนั้นเป็นสภาวะที่ทําให้ถึงทุกข์ก็เพราะว่ามาจากความหมายที่บอกว่าอปายาที่ทุกข์ขังปาเป็นตี๋ตตปาปาที่แปลว่าบาปเพราะมีความหมายว่าทําให้ถึงทุกข์ทุกข์ในที่นั้นโดยเฉพาะทุกข์ในอบายต้องมีการไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายสาัตว์ทะเลช้างและก็สกัตว์นรกฉะนั้นคําว่าบุญในทางความหมายนี่นะก็ต้องศึกษาว่ามันตรงข้ามกับคําว่าบาป เมื่อเข้าใจอย่างนี้ชัดเจนแล้วก็จะได้ศึกษาในเรื่องของบุญกิยวัตถุสืบต่อไปทีนี้ในเรื่องครั้งที่แล้วได้พูดในเรื่องคำว่าทานทานนั้นน่ะนะมาจากคำว่าเทียติเอเตนาติทานังเนี่ยชนทั้งหลายพึงให้ด้วยเจตนาฉะนั้นเจตนาที่เป็นเหตุแห่งการให้ในะชื่อว่าทานในตามความหมาย นี้นั้นนะ่ะท่านเน้นไปตัวเจตนาหรือเจตจำนงนะธรรมชาติที่จัดแจงหรือที่บอกว่าจัดแจงหมายความว่าสภาวะที่กระตุ้นเตือนให้สัมปรยุท ธ, ธรรมที่เกิดขึ้นขึ้นพร้อมกันกันกบตนเนเกิดขึ้ น, นลักษณะอย่างนั้นเป็นเจตนาทีนี้ในขณะที่เจตนาในการที่ตั้งใจที่จะสละที่จะให้เกิดขึ้นเนี่ย อย่างนั้นเขาเรียกว่าเป็นเจตนาทานส่วนอีกอย่างหนึ่งท่านหมายถึงสิ่งของสิ่งของนั่นหมายความว่าการที่เราสละสิ่งของเนี่ยเขาเรียกว่าทา น, นวัตถุสิ่งของใดที่ชนทั้งหลายพึงให้ฉะนั้นสิ่งของนั้นชื่อว่าทานอันนั้นท่านหมายถึงวัตถุทานดังที่ได้กล่าว ทีนี้ในความหมายที่เราไ้ศึกษากันครั้งก่อนเนี่ยได้พูดคําว่าวิจัยยานังสุขตับประสัถังที่แปลว่าการพิจารณาเลือกเฟ้นแล้วจึงให้หรือวิจัยยานนั้ น, เ, นเป็นกรรมที่พระสุคตทรงสรรเสริญเป็นกรรมเป็นการงานหรือเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญนั่นเองก็แสดงให้เห็นชัดว่าเวลาที่จะให้เนี่ย ก็มีกฎเกณฑ์มีวิธีการที่จะต้องศึกษาและทําความเข้าใจว่าบุญที่จะเกี่ยวกันในเรื่องการให้ทานนั้นเน่ต้องเลือกเฟ้นนะต้องพิจารณาต้องไตรตรองนะการพิจารณาไตรตรองในการที่จะทําให้ทานกุศลเป็นบุญกุศลได้นะั้นนะ่ท่านจัดองค์ประกอบไว้สามประการนะประการแรกคือทายกเขาแปลว่าอะไรเขาแปลว่าผู้ให้ ประการที่สองคือปฏิคาหกก็แปลว่าผู้รับประการที่สามหมายถึงตัวทยธรรมคือวัตถุสิ่งของที่จะพึงให้ฉะนั้นการการพิจารณาหรือการวิจัยยะเนี่ยการวิจัยยทานเนี่ยเป็นกรรมที่พระสุคตทรงสรรเสริญคือพุทธเจ้าจะสรรเสริญว่าทายกผู้ให้เป็นผู้มีศีลไหมก็หมายความว่าเราเร า, เราจะสละจะบริจาคเนี่ย เราได้สิ่งของมาอ ย, ยังไงเออเราได้สิ่งของมาอ ย, ย่างไรโดยเฉพาะผู้ที่ดูที่เจตนาเช่นว่าเจตนาประกอบด้วยอะไรในขณะที่จะให้เนี่ยเช่นจิตที่คิดในขณะที่มีมุทิตาจิตเกิดขึ้นในขณะที่ให้อย่างนั้น เ, เรียกว่าจิตคิดจะบูชาเนะ่เช่นเราให้กับพ่อแม่ครัวจารย์ตลอดถึงพระเจา้าเป็นต้นเนี่ยในขณะที่เรา ให้เนี่ยถ้าจิตคิดจะบูชาก็จิตนั้นประกอบไปด้วยมุทิตาใช่ไหมใช่หรือบางทีก็ให้ด้วยความรักที่เป็นเมตตาเนี่ยการให้ในลักษณะที่จะยกย่องจะบูชาคุณของท่า น, นยอย่างนั้นเขาเรียกว่าเป็นให้เพื่อบูชาแต่ถ้าหากว่าเจตานาที่สหลคตกับกรุณาแหละคือให้ด้วยจิตที่กรุณาเห็นใจ คิดจะช่วยเหลือคิดจะเผื่อแผ่คิดจะอนุเคราะห์ถ้าอย่างนี้เป็นเจตานาหรือเจต จ, จำนงที่บวกกับกรุณาคือความเห็นที่เขากาลังตกทุกข์ได้ยากในประเทศไทยก็จะเป็นบ่อยน้ำท่วมไฟไหม้เกิดอุทกภัยอัคีภัยเป็นต้นใช่ไหมใช่ใชเราก็ไปช่วยกันหรือบางทีเจอคนที่กระตกทุกข์ได้ยากในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บ เรามีจิตกรุณามีเจตนาในการที่จะให้อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นทานหรือยัง เ, เป็นแล้วใช่ไหมเจตนาคือเจตนาในการที่จะให้ที่มีความกรุณาหรือมีมุทิตาหรือเมตตานั่นแหละเป็นตัวประกอบหรือสหรอรคตอย่างนี้เขาเรียกว่าทายกคือผู้ให้เนี่ยต้องดูที่จิตของตอนเองให้ถูกนะใช่ไหมเวลาจะให้เนี่ย เรามีสิ่งของเนี่ยไม่ใช่ว่าเจักแต่จะให้ก็ให้กันเลยไม่ได้ตรวจสอบดูจิตของตอนเองในขณะนั้นว่าเอ๊ะจิตดีไม่ดีจิตเป็นบุญหรือเป็นบาปแต่าบางคนให้แบบชนิดที่จิตยังเป็นบาปก็มีใช่ไหมอ่ะเอย่างเช่นว่าเวลาจะให้ก็ต้องคิดว่าจะได้อะไรใช่ไหมถ้านในลักษณะอย่างนี้ท่านเรียกว่าทายกไม่บริสุทธิ์คือผู้ให้นะัไม่บริสุทธิ์ เพราะจิตของทายกไม่เป็นบุญคือผู้ให้นะั้ไม่เป็นบุญจิตของผู้ให้กลายเป็นบาปถ้าเป็นอย่างนี้แสดงให้เห็นชัดว่าบุญนั้นไม่เกิด <c oughs> เสียแล้วทายกเสียหาย <c oughs> บางทีเราเวลาเราจะให้ไ <c oughs> ด้มากเราจะคำนึงแต่ผู้รับกันอย่างเดียวนะแต่เราโดยมากไม่คำนึงถึงตัวเราเองที่จะไปให้เขาหรอกใช่ไหม <c oughs> ต้องการตรวจสอบกันเลือเกินบางทีตรวจสอบถึงขนาดาเรามีพระอรหันเกิดขึ้นหรนะือยังขนาดนั้นเลยนะ เพรไปตรวจสอบว่าที่เราจะไปให้ต้องโอ้โหต้องบุคคลนั้นจะต้องกิเลสหมดเนี่ยแต่ลืมนึกไปว่าตนเองเป็นยังไงทั้งหมกต้องตรวจสอบว่านในขณะที่จะให้นะั้นจิตคิดยังไงอย่างนี้เขาเรียกว่าทายกต้องวิจัยต้องศึกษาถ้าอย่างนี้สิพระพุทธเจ้าสารเสริญว่านี่ทายกถูกต้องแล้นี่ผู้ให้เป็นไม่ใช่ว่าให้อย่างงมงายหรือให้แบบไม่รู้เรื่อ ง, องนี่เขาเรียกว่าประกอบไปด้วยปัญญาอะไรเนี่ย ฉะนั้นในการที่วิทายกก็จะต้องมีปัญหาผู้ปัญญาผู้ให้จะต้องมีปัญญาประการต่อมาก็คือปฏิคาหกเขแปลว่าอะไรผู้รับใช่ไหมปฏิฆาหกเนี่ยอย่าไปคิดว่าเป็นแค่พระเนี่ยใช่ไหมบางทีลูกเนี่ยเวจะเกิดมาก็แบกมือของเงินพ่อแม่เนี่ยไปไปมาก็เป็นปฏิคาหกคือผู้รับนั่นแหละใช่ไหม คือผู้รับทั้งนั้นแหละพวกเราทั้งหลายเน่ยเป็นทั้งเคยเป็นทั้งผู้รับและผู้ให้และในปัจจุบันนั้นก็เป็นทั้งผู้รับและผู้ให้ใช่ไหมเราอย่าไปคิดว่าเกิดมาแล้วเราจะไม่รับของใครหรือไม่รับอะไรจากใครมันเป็นไปไม่ได้หรอกใช่ไหมเราเป็นทั้งทายกเป็นทั้งปฏิคาหกฉะนั้นในกรณีอย่างนี้พวกเราทั้งหลายเนี่ยในฐานะที่เป็นพุทธสาวก เป็นทุรกบริษัทเนี่ยของพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องตรวจสอบตัวเองเนะไม่ใช่อ้ยเราเป็นคาราวาสเราไม่จําเป็นต้องมีศีลเนาะคิดยังไงต้องคิดว่าจริงๆแล้วมันมเป็นเรื่องจําเป็นนะเห็นใจคนให้เราด้วยท่านผู้ให้เราเนี่ยเขาจะได้อานิสงส์บางถ้านเราเป็นคนที่มีคุณธรรมกล่าวคือมีศีลคุณสมาธิคุณบ้างเนี่ยไม่ใช่ตรวจสอบดูแล้วห้าข้อถ้าไม่มีเหลือเลยใช่ไหม เริ่มตั้งแต่ปนานาติบาตอาทินาทานเป็นต้นไปโอ้ยทำทุกข้อ ห, หมดผิดพลาดหมดทีนี้บางทีเราคิดแ บ, บมือขอคนอื่นอย่างเดียวนี่ใช่ไหมแต่เราไม่เคยตรวจสอบว่าตนเองนั้นเป็นคนมีศีล ร, รมเง่ไหนเนี่ยถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าปฏิฆาหกทั้งหลายทุกสถานะเนี่ยเอาอย่างยกตัวอย่างอย่างนี้เวลาราชรั ร, รนนเนี่ยเนี่ยเสียภาษีให้กับทางราัฐรัฐอยู่ในฐานะเป็นอะไร เป็นปฏิกิาหก<ะ>ใช่ไหม<ะ>อันเนี้ยคิดให้ถูกหรือหน่วยงานราชการทุกหน่วยเหล่านี้เนะี่ยประชาชนทั้งหลายที่เขาจะต้องอุ้มหรือดูแลอยู่เนี่ย ก, ก็ต้องเสียภาษีเพื่อเอาเงนินส่วนเนี้ยไปให้ประชาชนที่เป็นผู้ให้ก็ต้องคิดให้ถูกว่าตัวเองนั้นเนี่ยจิตใจเป็นยังไงบางคน<ะ>โอ้โหจะเจเสียภาษี<ะ>เจ็บปวดแล้วใช่ไหมเราเจ็บปวดแล้วนะโอ้โหจะต้องถูกรัดเอาเปรียบบางคน เขาบอกว่าแหมยังมีบริษัททาบัญชีพูดไปเดี๋ยวกระทบกระเทือนใช่ไหมก็พยายามหาวิธีการเนี่ยหาวิธีการที่จะหมกหมกเม็ดหลายๆอย่างเพื่อเพื่อต้องการอะไรเพื่อต้องการจะเสียภาษีให้น้อยบางทีเข้าหาปรึกษากันเลยใช่ไหมไอ้ตรงนั้นเน่ะจริงๆแล้วมันมีเงื่อนไขอะไรเยอะแยะเงื่อนไขก็คือว่าบางทีเขาบอกว่า ถ้าเสียตามความเป็นจริงเนี่ยมันก็ไม่ไหวรว่างนั้นก็ไปมองมแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามาลือระบบกันใหม่พูดอย่างนักที่บอกแหมมาปัจจุบันเนี่ยเขาต้องการปฏิวัติระบบอะไรกันเยอะแยะเลยลองมาตรวจสอบระบบการที่ว่าประชาชนก็ดีที่จะเป็นผู้ให้ในการเสียภาษีก็ดีเ่ยตรึกและคิดให้ถูกได้ว่าจริงๆเราทาบุญน คิดให้ถูกว่าเราทําบุญตรวจสอบตัวเองให้ถูกต้องวางจิตให้เป็นกรุณาให้เป็นเมตตาให้เป็นมุทิตาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ว่าไปตามแต่สถานะฝ่รัฐก็เหมือนกันฝ่ายรัฐถาก็เหมือนกันทุกองค์กรทุกหน่วยเราก็ต้องตรวจสอบว่าตนเองเป็นปฏิฆาโหขือผู้รับนะทีนี้ตนเองนะจะเป็นคนที่มีดีมีศีลธรรมแค่ไหนอย่างไรก็ตรวจสอบว่าเอ๊ะ ทำยังไงจะทำให้บุญของคนเขาเพิ่มอะถ้าพิจารณาอย่างนี้ลองคิดดูที่ว่าสังคมก็น่าอยู่อันนี้พูดไปบางคนอาจจะมองว่เป็นนำมาทำหรือเปล่ามองไม่เห็นหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วทำให้มันเป็นความให้เห็นชัดเจนขึ้นมาทำไมจะทำไม่ได้เพียงแต่ว่าไม่ต้องไปลงทุนอะไรมากเพียงแต่ว่าทำความรู้สึกหรือทาปัญญาให้เกิดขึ้นเขาเรียกว่าไงในในความหมายของพระอีกคำหนึ่ง อัตตาสัมมาปณิทิในความหมายท่านแปลว่าตั้งตนไว้ชอบตนในที่นั้นคือตั้งจิตนะตั้งจิตประกอบด้วยสัมมาทิฐิคือความเห็นถูกแค่นั้นแหะแต่คำคำนี้เนี่ ย, ยคำว่าตั้งจิตที่ประกอบด้วยสัมมาทิฐิคือความเห็นที่ถูกเนี่ยไม่ใช่ตั้งง่ายๆนะใช่ไหมยายถ้าไปพูดว่าแม้ตั้งจิตบางคนไม่รู้ว่าจิตคืออะไรเนี่ย สัมมาทิฏฐิความเห็นถูกเอ๊ะอะไรเห็นถูกเห็นผิดในสังคมนี้ยังต้องมาตรวจสอบกันอีกเยอะเนี่ยเพราะไม่รู้ว่าปัญญาที่เห็นถูก เ, เช่นเห็นว่าทานเนี่ยมีผลนี่เป็นสัมมาทิฏฐิแล้วทานนี้มีผลคืออย่างไรคือในขณะที่เราให้เราสละเราบริจาคไปเนี่ยฉะนั้นปฏิคาหกทั้งหลายเนี่ยนะ พวกเรานั้นเป็นทั้งทายกเป็นทั้งปฏิคาหกใช่เมื่อจะให้ใครก็ให้มีจิตที่มีเมตตากรุณาและมุทิตาให้ถูกเมื่อจะรับของใครก็ดูตนเองตรวจสอบตนเองว่าศีลเป็นต้นหรือจิตที่มีเมตตากรุณาและมุทิตาของตนเองเนะี่ยปึกฝนอบรมแค่ไหนอย่างไรถ้าเป็นไปในลักษณะอย่างนี้แล้วสังคมก็น่าอยู่ไปที่ไหนก็กชื่นใจใช่หจ๊ะ ประการที่สามตรวจสอบทายาธรรมวัตถุสิ่งของที่จะมอบให้เนะี่ยเป็นของบริสุทธิ์ไห ม, มใช่ไหมเป็นของบริสุทธิ์ไหมเช่นว่าเงินได้มาเนี่ยไปโกงเข้ามาหรือเปล่าที่จะให้เขาเนี่ยใช่ไหมหรือวัตถุสิ่งของเนี่ยที่เราได้มาสิ่งของสิ่งนั้นเนี่ยได้มาด้วยความบริสุทธิ์หรือเปล่าใช่ไหม หรือไปช่อลาดบังหลวงไปป้นไปชี้จี้ไปคอร์รัปชั่นก็มาเลยว่าภาษาปัจจุบันก็าชอบพูดกันเนี่ยคำว่าคอร์รัปชั่นก็เลยพายืมมาพูดบังใช่ไหมถ้าไปได้สิ่งเหล่านี้มานี่สิแล้วก็มาสละอมาบริจาคถ้าอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าพระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญคือพระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญก็แปลว่าพระพุทธองค์ บอกว่าการวัตถุทานอย่างนี้ไม่บริสุทธิ์แล้วไม่บริสุทธิ์แล้วในปัจจุบันถ้าเรามาตรวจสอบพิจารณากันเนี่ยให้สังเกตดูว่าเงินที่มันหมุนอยู่ในประเทศไทยนี่นะไม่ว่าจะเป็นโครงการอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยใช่ไหมที่มันกระจุงกระจายไปทั่วเนี่ยถามว่ามันบริสุทธิ์ไหมก็ไมพยายามไทยธรรมนี่ยเละนั้นเนี่ย ถ้าตรวจสอบของใช้อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยถ้ามันเป็นเจตนาที่หามาได้ด้วยกําลังของตนเองด้วยศรัทธาตนเองด้วยความเพียนตนเองเป็นต้นเนี่ยนะอย่างนี้เขาเรียกว่าสามประการนี้เนี่ยเราเริ่มวิจัยทานได้ถูกแล้ววิจัยแค่นี้ได้หรืยอยังพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่างเอาต้องวิจัยตัวไหนอีกปุบพลาดเจตนาเจตนาก่อนกระทำใช่ไหม เจตนาก่อนจะทําเนี่ยความจงใจหรือความที่จะให้เนี่ยเลื่อมใสไหมจิตที่จะให้เนี่ยเลื่อมใสไหมบางคนบอกเออจะให้ลูกยังต้องเลื่อมใสลูกเลยก็จะคิดไงใช่ไหมจะให้ค่าเทอมลูกแล้วเสียดายใช่หค่าเทอมแพงจะไปเลื่อมใสได้ไงขอบนตั้หน่อยเหรที่จริงที่จริงครับว่าศรัทธานั้นนี่ยหมายความว่าความกล้า ไอตัวเรื่อมใสเนี่ยนะเป็นความกล้าแล้วก็ที่จริงก็คือมีเมตตามีความปรารถนาดีเป็นต้นมีจิตที่จะคิดจะเสียสละก่อนหนะ้าทําจิตให้เป็นอิสระนั่นเลยเวลาบาปเกิดขึ้นเนี่ยนะราคะโทสะและโมหะเป็นต้นเกิดขึ้นเน่ยจิตมีอิสระไหมมีไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีหรอกใช่ไหมเวลาถีนมิถะเขาครอบงำในจิตมีอิสระไหมไม่มีหรอกพระเทพ บอกง่วงใช่ไหมที่จริงตรงเนี้ยยอ่าไปโทษพระเนี่ยเพราะว่าบาปไม่ได้เกิดที่พระใช่ไหมทีน้นมิท่าเป็นบาปเนี่ยบาปเกิดที่คนฟังบางคนโทษคนพูดไ ม, ไม่โทษว่าตนเองฝึกจิตมาไม่ดีเอแปลกเลยในปัจจุบันสมัยก่อนเขาไม่กล้าโทษพระกันนปัจจุบันนิวโทษพระบอกฟังพระเทศง่วงนอนก็่าไรเงี้ย ฉะนั้นไปดูอีกอย่างประการที่สองคือมุนจะเจตนาหรือมุลเจนะเจตนาเจตนาขณะให้เวลาที่ทําการให้ก็ให้ด้วยความตั้งใจแล้วก็กําลังศรัทธาก็มีอย่างมั่นคงจิตใจก็ผ่องใสเบิกบานมีปัญญารู้คุณค่าด้วยรู้คุณค่ารู้ความมุ่งหมายและประโยชน์ของการที่จะให้เลย ในพิจารณาในลักษณะอย่างนี้พพระสุคดพระพุทธเจ้าสารเสือเลยหลังจากให้แล้วเนี่ยยังมีอัปะระเจตนาต่อมาอีกเนี่ยเขาเรียกว่าเจตนาสืบเนื่องต่อไปเออบิมชื่นใจนึกถึงทีไยก็เกิดความเบิกบานท่องใสจิตใจไม่ขุนมัวนี่เป็นอย่างนี้นะนี่เขาเรียกว่าวิจัยแล้วในการให้ยังต้องวิจัยเลยทีนี้ ถ้าไปดูในพระสูตรที่พระพุทธเจ้าท่านพูดในเรื่องของคําว่าทานของจัตรบรุษหรือสัพป ร, ริสทานเนี่ยมีอยู่ห้าอย่างเออในความหมายของสัพป ร, ริสตานนี้พระพุทธเจ้าตรัสบอกดูก่อนภิกษทุทั้งหลายสัปป ร, ริสทานมีอยู่หประการได้แก่อะไรการบริจาคทานโดยความเลื่อมใสเชื่อในการกระทาและผลของการกระทา ที่เป็นศรัทธาทานนั้นอย่างหนึ่งการบริจาคทานด้วยความเคารพทั้งทำให้ตัวเองและทายรทมนั้นสะอาดหมดจดที่เป็นส ก, กัดจะทานนั้นอย่างหนึ่งการบริจาคทานให้เหมาะสมแก่การนั้นนั้นที่เป็นการลทานนั้นอย่างหนึ่งการบริจาคทานด้วยการสละอย่างแท้จริงไม่มีการยึดเหนียวห่วงใยในวัตถุสิ่งของนั้นๆ ที่เป็นอนุขขหิตหานนั้นอย่างหนึ่งการบริจาคทานโดยไม่มีการกระทบกระเทือนตนเองและผู้อื่นที่เป็นอนุพหจรทานนั้นอย่างหนึ่งนี่ท่านตรัสอย่างนี้นะประการแรกคือศรัทธาทานเนี่ยดูกรรกษุทั้งหลายผู้บริจาคทานโดยความเชื่อความเลื่อมใสเชื่อในการกระทาและผลของการกระทา ผลของทานชนิดนี้ย่อมเกิดในภพต่อๆไปคือไปเกิดเป็นผู้ที่มั่งคัง่งมีทรัพย์สมบัติมากทั้งพร้อมไปด้วยการมาคุณอารมณ์ที่อย่างมหาสาลมีรูปสันฐานงดงามน่าดูน่าเลื่อมใสผิวพรรณวันนะ่ร่างกายก็เปล่งปลังแสดงว่าถ้าให้ด้วยศรัท ธ, ธาเขาเรียกว่าเป็นกรรมสศรัท ธ, ธาและก็วิปากศรัท ธ, ธา เชื่อกรรมและผลของกำเชื่อในถ้าให้ทานเนี่ยให้ทานแล้วเนี่ยมีความเชื่อว่าเป็นกรรมที่พระสุคตสรรเสริญยกย่องด้วยแล้วก็มีความเชื่อความเลื่อมใสก็เวลาให้ก็ให้ด้วยความนอบน้อมและรู้ว่าการสร้างเหตุอย่างเนี้ยก็จะได้ผลกล่าวคือโภคสมบัติมากแล้วก็เป็นผู้ที่มีส้วนทรงดีผิวพรรณงามเห็นไหม ตรงเนี้ยท่านเรามาตรวจสอบยังไงเราบอกเอ้ยในพระสูตรท่านพูดเกินจริงไหมที่จริงไม่เกินจริงเราดูในปัจจุบันเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยคนที่โภค่าสมบัติมากไม่เดือดร้อนในเรื่องนี้ทั้งรูปสมบัติก็ค่อนข้างที่จะ น, น่าชืน่นชมเชยอย่างนี้แสดงว่าเขาเชื่อในเรื่องกรรมเชื่อในเรื่องของทานกุศลจิตเขาน้อมไปในทานในกุศลค่อนข้างชัดเจน ส่วนประการที่2 ส, สักกัดจทานเนี่ยดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้เบิจากทานด้วยความเคารพทั้งกระทมให้ตนเองและทายธรรมสะอาดหมดจดผลของทานชนิดนี้เกิดในภพต่อไปคือเป็นผู้ที่มั่งคั่งมีทรัพย์มากพรั่งพร้อมไปด้วยการมคุณอย่างมหาศาลบุตรภรรยาและสามีข้าทาสคนใช้และกรรมกรของผู้นั้นย่อมเชื่อฟังเอาอกเอาใจไม่ให้ขัด ใจในการงานทุกประการเห็นไหมถ้าหากว่าให้ทานประเภทนี้คือให้ด้วยความเคารพให้โดยตนเองและทัยทธรรมที่ได้มาก็สะอาดหมดจดหมายความว่าไม่ได้ไปรักขโมยเป็นต้นเนี่ยตนเองตรวจสอบตนเองจิตใจก็ดีแล้วการให้ก็จิตใจสะอาดด้วยโอ้โหนี่ดีมากค่าทานบริวารเชื่อฟังไม่ต้องมาปวดหัวใช่ไหม <c oughs> มีสามีมีม ภรรยามีลูกมีอะไรต่างเชื่อฟังจริงๆประเภทที่พูดคำเดียวเห็นไหมว่าเวลาเราสละเราแล้วก็ให้ด้วยความนอบน้อมมันมีผลจริงๆไม่ใช่ไม่มีผ ล, ม, ม, ม, ผลมีผลถึงว่านอกจากทรัพย์สมบัติมากแล้วยังมีการมคุณทั้งห้าเพียบพร้อมคำว่าการมคุณทั้งห้าเพียบพร้อมหมายความอะไรพวกรูปสมบัติใช่หไหม รูปสมบัติคือไม่ใช่ตนเองดีอย่างเดียวนี่บริวารก็ดีเช่นเสืทรงตนเองดีด้วยเสื้อทรงบริวารที่มาเกิดก็ดีด้วยอะไรเงี้ยเนี่ยบางคนดีทั้งดูดีทั้งแทบทั้งตระกูลเลยเนะ่ยนี่เป็นอย่างนั้นจริงๆนี่ต้องยอมรับว่าบุญเขาทํามาด้วยความนอบน้อมแต่มาพบนี้เขาจะนอบน้อมหรือไม่นอบน้อคมคนละเรื่องนะเขากินบุญเก่าถ้าในสายตาของพระรยายเจ้าทั้งหลายเนี่ย ถ้าคุ้นเคยกันหน่อยท่านก็นจะกระซิบบอกสมมุติเราบางคนเนี่ยเกิดมาโอ้โหทรัพย์สมบัติก็มากสื้อทรงก็ดีอะไรก็ดีบริวารก็ดีเบ็ดเสร็จแต่เป็นคนไม่ทําบุญเนี่ยถ้าพระยาเจ้าผู้มีตาดีทั้งหลายเนี่ยท่านก็นจะเตือนนะถ้าเป็นคนคุ้นเคยเนี่ยใช่ไหท่านก็นจะเตือนว่าเออเนี่ยท่านเหล่านี้ยังประมาทอยู่เก่าวคือยังกินบุญเก่าอยู่ <c oughs> ใช่ไหมไม่สร้างบุญใหม่นี่เป็นอย่างนี้ รูปเอ่ยเสียงเวลาจะได้ยินเสียงอะไรต่างๆที่ตัวเองได้ยินก็ล่องเสียเสียงดี ๆ, ๆและคนที่กรรมคุณเขาเพียรพร้อมนี่ยเป็นอย่างนี้จริงๆหนะึหรือว่ารถเนี่ยนะกลิ่นต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยก็ได้ในสิ่งที่ดีๆงามๆอย่างนี้เป็นต้นนี่เขาเรียกว่าในเรื่องของสักกัดจกทานนั้นท่านดีคือให้ด้วยความนอบน้อมให้ด้วยความเคารพประการที่สามการละทาน พุทธเจ้าตรัสว่กดูก่อนภิก ษ, ษุทงหลายผู้บริจาคทานให้เหมาะสมแก่การนั้นผลของทานชนิดนี้ย่อมเกิดในภพใดๆไปแล้วเนี่ยคือเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากพรั่งพร้อมไปด้วยการมาคุณอย่างมหาศาลมีความเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่ปฐ ม, มวัยอันเป็นวัยหนุ่มสาวมีผลประโยชน์พึงพึงได้อย่างรุ่นเหลือเออมันอย่างนี้นะการของคนเราเนี่ยถ้าแบ่งในปัจจุบันเนี่ยแบ่งเปามมา็นามประการ เอ ว, นะวัยนะปฐมวัยมาชิมวัยแล้วก็ปัดชิมวัยถ้าแบ่งกันแบบคร่าวๆเนี่ยปฐมวัยก็นับอย่างแบบไม่ได้ตรวจไม่ได้เอาในในสูตรในอะไรต่างๆมาตรวจตรวจสอบในดูในปัจจุบันเป็นเกณฑ์นเนี่ยนะดูอย่างนี้ตั้งแต่เกิดจนถึงยี่ส้าเนี่ยอาจจัดให้เป็นปฐมวัย ไ, ไปตั้งแต่ยี่สิบหกไปจนถึงห้าสิบนี่เป็นมัดชิมวัยวัยกลาง ตั้งแต่ห้าสิบเอ็ดเป็นต้นไปเนี่ยเป็นปัจฉิ ม, มวัยถ้าปฐ ม, มวัยนี่เป็นวัยเลยศึกษาเล่าเรียนหาวิชาการความรู้แสวงหาอะไรต่างๆใช่ไหมใช่ธรรมชิ ม, มวัยก็คือสร้างหลักฐานชีวิตประกอบอาชีพการงานเพื่อทําให้เกิดความมั่นคงในชีวิตและครอบครัวถ้าปัจฉิ ม, มวัยเขาแล้วเขาเรียกว่าอะไรเป็นวัยเตรียมตัวลาโลกเลยและเราไปแน่ <t ries> ไม่อยู่หรอกใช่ไหมใครจะอยู่ก็อยู่เถอะใช่ไหมใช่ทั้ง<ม>ผู้พ <t ries> ูด <Blessed> ผู้ฟังต่างไปแล้วก็ต้องตรวจสอบดูว่าเราอยู่ไว้ไหนถ้าเป็นปฐมวัยก็ยังไม่แน่เนะี่ยในปฐมวัยก็ก็นันใดแต่ว่าโดยส่วนมากวิถีชีวิตถ้าขีดได้อย่างนี้แล้วก็ยังค่อยอยังชัว่วก็ถือว่าไม่ค่อยประมาทเท่าไหร่ทีนี้ปัญหาอยู่ตรงว่าบางคนเนี่ยให้สังเกตเวลาเกิดมาเนี่ยโอ้ยเขาบ ร, ริบูรณทั้งสามการเลยเนี่ย ตั้งแต่เกิดมาในปฐมวัยเขาก็เพียบพร้อมไปได้วยกรรมคุณใช่ไหมฮะทั้งรูปเสียงกลิ่นรสเขาได้ของดีๆทั้งนั้นแหละไม่ต้องไปเดือดร้อนในเรื่ององการที่จะต้องเจ็บปวดในเรื่องทรัพย์สมบัติและรูปผสมบัติเลยเนะยในมัชชิมวัยก็ส่งผลก็ต่อเนื่องบางคนได้แค่ปฐมวัยแค่นั้นเหละเช่นว่าบางคนรวยเอยมีทรัพย์เอยได้พอถึงได้ยุประมาณครึ่งแค่ยี่บห้าแล้วจนไปซะอีกเห็นไหมนี่มันเป็นอย่างนี้นะบางคนก็ ปฐมวัยก็ไม่ค่อยสมบูรณ์นะกลัวจะไปรวยได้หรือตั้งหลักปักฐานได้นู้นเป็นมาชิมเมื่อวัยบางคนก็เล่นปัดฉิมวัยเลยชนิดที่ตั้งหลักปักฐานได้ก็หมดแรงจะกินของตอนเองที่ถามมาแล้วขนาดนั้นจริงๆเนะี่ยบางคนบอกโอ้โเนะี่ยถามทําไมล่ะยังเที่ยวไม่ครบเลยจะตายซะอีกแล้วถามทําไมโยมเหนื่อยมาตั้งชีวิตเลยนะท่านบ้นปลายชีวิตเนี่ยว่างั้น ก็อยากจะเที่ยวบ้างก็มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนตัอีกดูสิไหมเนี่ยอันนั้นเครียกว่าไม่มีการละทานใช่ไหมไม่ได้ทําบุญที่ประกอบไปด้วยการละทานคือคือบริจาคทานให้เหมาะสมแก่การนั้นๆไม่ได้บริจาคเช่นการบางการเนี่ยควรจะบริจาคหรือให้อะไรเนี่ยใช่ไหมเขาก็ตรวจสอบแล้วก็ให้โดยปัญญาเขาก็ให้สิ่งนั้นใช่ไหมคือให้เหมาะแก่การนั้นๆ ฤดูหนาวควรให้อะไรฤดูฝ น, นวควรให้อะไรฤดูร้อนควรให้อะไรนะคนที่ให้ของเหมาะแก่การเนี่ยหรือในให้สังเกตเอาสิเหมือนกระถินเนี่ยพูดอย่างเงี้ไม่ใช่ไปพูดชักจูงให้คนทํากรถิ น, นแต่หมายความว่ากถินเนี่ยเป็นการลาทานเป็นการที่เป็นทานที่ทําได้เฉพาะกาลเท่านั้นก็แปลว่าทําในช่วงกลางเดือนสิบเอ็ดถึงกลางเดือนสิบสองเนี่ย หนึ่งเดือนเนี่ยในช่วงอย่างเงี้ยอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นกาลาทานถ้าหมดเขตนั้นไปก็ทําไม่ได้บางคนบอกโอ้จะทอดกรถินทอดกรถินเดือนสี่ไม่ได้มีกาลาท า, น, น, า น, นเนี่ยบากกันนะเนี่ใช่ไหมใช่คือทําบุญเนี่ยท่านบอกว่าถ้าอย่างนี้แล้วเป็นเหตุเป็นปจยยัจจัยในการมั่งคัง่งมีทรัพย์มากแล้วก็มีทีนี้ให้สังเกต ด, ดูอย่มสังเกต ด, ดูว่าชีวิตของพวกเราทั้งหลายเนี่ยในปฐมวัยเป็นอย่างไร เดือดร้อนไหมเดือดร้อนเรื่องอะไรให้คิดดูเถอะว่าเราขาดเรื่องการละทานมาแน่ๆแต่ถ้าสมบูรณ์ก็เออฉภูมิใจแนะว่านันถ้าในส่วนของมัดชิมวายเอ้เดือดร้อนไหมหรือในส่วนของปัดชิมวัยนะบางคนเขาไม่เดือดร้อนทำอะไรค่อขาข้างดทีว่าจะได้เปรียบอย่างนี้เขาเรียกทำบุญประเภทนี้มาดีอระการที่สี่อนุขหิตะทาน ดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้บริจาคทานโดยการสละอย่างแท้จริงไม่มีการยึดเหนี่ยวห่วงใ ย, ยในวัตถุทานนั้นผลทานชนิดนี้เกิดในพบต่อต่อไปเป็นผู้ที่มั่งคั่งมีทรัพย์มากพรั่งพร้อมไปด้วยกรรมคุณอารมณ์อย่างมหาศาลมีจิตน้อมไปในน้อมอยู่ในการที่จะเสวยกรรมคุณอารมณ์ที่ตนมีอยู่อย่างผาสุกสบายไม่ใช่เพียงแต่เป็นคนเฝ้าทรัพย์ เข้าใจคานี้ไหมบางคนมีทรัพย์ไว้แค่เฝ้าแค่นั้นเนี่ย<ป>ก็เนี่ยมีเยอะแยะหมดฉะั้นคนที่ไม่มีทานประเภทนเนี้ยคือไม่ได้สละในตอนขยัสละหรือบริจาคนั้นเนี่ยให้ด้วยความหวงแหนไม่ได้ให้ด้วยจิตที่ตัดตัวมัชชริยะเนี่ยเมื่อไม่ตัดตัวมัชชริยะเนี่ยจิตใจของตนเองก็หวงแหนในการให้จะให้ก็โอ้คิดแล้วคิดอีกฮะ คิดมากจริงๆวะเงคิดคิดอย่างมากเลยใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่คิดเพื่อจะให้เป็นบุญนะคิดไม่จอให้ไม่ให้ให้ไม่ให้ใช่ไหมบางทีจะให้วันพรุ่งนี้ตรวจคิดตั้งแต่วันนี้นะไอ้ที่คิดไม่ใช่คิดจะให้เป็นบุญนะคิดว่าเอ๊ะเราจะให้เท่าไหร่ใช่ไหมพอคิดไปคิดมาว่าเออไอ้ที่เราว่าจะให้สักห้าสิบเนบ ทักเหลือยี่ผ้าเดี๋ยว<笑><笑>ใช่ไหมเนี่ยมันมันเนี่ยคนประเภทนี้รวยไม่รวยเกิดมารวยมีทรัพย์สมบัติมีอะไรมากแต่ว่ามีไว้เพื่อเพื่อเฝ้าไม่ได้มีไว้เพื่อใช้ใำมบงคนโอ้โหเก็บหน้าดูเียขนาดตายไปแล้วลูกหลานยังหาบางส่วนไม่เจอเลยเก็บจัง <S <S นี่เข้าใจไหมว่าอนุกขหิตธทานเนี่ยเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมีไว้เพื่อเฝ้า ไม่ใช่มีไว้แต่เป็นเป็นคนเฝ้าทรัพย์้โ บ, บราณก็พูดกันเขาว่าปู่โสมอะไรเนะี่ยปู่โสมเฝ้าทรัพย์คือบุคคลที่ไม่รู้จักที่จะใช้สอยทรัพย์บางคนเราจะจะอธิบายยังไงลองดิคุณโยมลองถ้าไปเจอคนประเภทนี้จะอธิบายยกเหตุผลยังไงเขาก็เห็นแบบเดิมใช่ไหม <c oughs> อย่าแปอธิบาย <c oughs> เพราะอะไร <c oughs> เพราะเขาทํากรรมให้ทานประเภทนี้มา อุปนิสัยการสั่งสมการ พ, อพ่อปูนของเขาทํากรรมประเภทนี้มาฉะนั้นเวลามาเกิดหรือมามีทรัพย์มากแล้วเขาก็มีไว้เพื่อหวงแล้วเขาก็ล้มหายตายจากไปถ้ามีลูกหลานทํากรรมประเภทนี้มาก็หวงกันอยู่อย่างนั้นเนี่แล้วบางคนหนักกว่านนะั้นหนักขนาดไหนรู้ไหมหนักขนาดว่ารวยแต่กินไม่ได้นี่เนไหมบางคนหนักไปกว่า น, นั้นอีก รวยแล้วแต่งตัวดีๆก็ไม่ได้อัอนนี้ไม่ใช่ไปตาหนินะคือ <c oughs> คือทำบุญอย่างนี้มาจะได้แบบนี้จริงๆคือคือไม่ได้ยังไงต้องแต่งมอซเขาว่าต้องไปทำทำเป็นไม่มีเงินไม่มีทองเ็าว่าจะไปทำฟุ้มเฟ้อก็ไม่ได้ต้องอยู่แบบง่อยๆเศร้าซึมไปวันๆนี่นีเป็นงี้นี่คือประเภทที่สี่แต่อไปประเภทสุดท้ายประเภทที่ห้า เยนยมมองนาฬิกาแล้วอนุพหัจะทานดูก่อนพิกษุทั้งหลายผู้บริจาคทานโดยไม่มีการกระทบกระเทือนตนและผู้อื่นนั้นผลของทานชนิดนี้เกิดในภพต่อๆไปเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากพรั่งพร้อมไปด้วยการมาคุณอารมณ์อย่างมหาศาลทรัพย์สินเงินทองที่ตนมีอยู่ก็ปลอดภัยจากอะไรอักขีภัย อุทกภัยราชภัยโจรภัยอักขีภัยก็คือไฟไฟไหมอุทกภัยก็คือน้ำท่วมราชภัยก็คือภัยจากพระราชาเป็นต้นแล้วก็โจรภัยก็โจรผู้ร้ายลูกหลานญาติมิตรพี่น้องซึ่งเป็นทายาทก็ไม่ดีโอ้โหเนี่ยนั้นผู้บริจาคทานโดยไม่มีการกระทบเทือกกระเทือมตนของผู้อื่นเนี่ยผลของทานย่อมเป็นคนเกิดในภพต่อไปเป็นผู้ที่มั่งคั่ง ก็ปลอดภัยทีนี้ถ้าให้โดยการกร ะ, กระทบตนและผู้อื่นเออบางคนเวลาให้มีการให้แบบมานาใช่ไหมให้เพื่อจะโคมีคนให้เพื่ออะไรต่างๆก็แล้วแต่มีการที่ว่ามีการกระทบกระทั่งกันในข่าวเ็าให้เท่าไหร่เดี๋ยวนี้มีการประมูลกันเยอะเนะจะทำบุญนั่แหละแต่ต้องมาประมูลแข่งกัน คือเอาเอาวัตถุล่อในการที่จะดึงดึงอมมานะว่าเราก็มีเงินนะเอากันนี่เราก็มีเงินนะเดีย๋ยวนี้แม้ในวัดยังมีมีระบบแบบนี้เข้ามาบางทีก็ลอตเตอรี่กันมาอะไรกันก็ว่ากันใช่ไหมลักษณะอย่างนี้ก็เอย่าอย่าไปอย่าไปพูดรายละเอียดแต่แต่นึกอย่างนี้ให้รู้ว่าอย่างนี้เขาเรียกว่าให้ได้มานะถ้าให้ได้มานะเนี่ย ต่อไปอักคีภัยเพราะมันเปรย์อย่างยกตัวยอย่างไปแข่งกันเนี่ยเนะไปแข่งกันแบบมาหน้าเนี่ยบางทีเวลาไปให้หรือไปนั่นก็เป็นการไปแย่งไปแข่งอักขีภัยกโทกภัยลาดชัยจระภั ย, ภยลูกหลานก็ลูกหลานจะเป็นไม่ด้วยดีบางคนรวยจริงนะแต่ลูกชั่วที่ในลักษณะอย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสบอกว่า ทานห้าประการนี้แหละถ้าเราไม่มีอย่างนี้พระเจ้าเป็นสัพพุริสถานเป็นทานของสัตว์บุรุษนะเป็นทานของสัตว์บุรุษฉะนั้นเมื่อตรวจสอบพิจารณาศึกษาในเรื่องทานอย่างนี้แล้วเนี่ยก็จะทำให้พวกเราทั้งหลายเข้าใจว่าทานที่พระเจ้าสอนให้วิจัยให้ศึกษาให้พิจารณานั้นเป็นสิ่งที่ควรศึกษาให้ดีไม่ใช่ติดอยู่เพียงแค่ให้ให้อย่างเดียวเท่านั้น ก็จะเป็นประโยชน์แก่พวกเราทั้งหลายในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพคะก็ได้สะดับรับฟังในเรื่องของทานนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในบุญกริยาวัตถุสิบว่าทานนั้นมีความหมายอย่างไรอะไรคือทานแล้วก็ในการทำทานนั้นในการก่อนทำขณะทาหลังทำมีผลอย่างไรแล้วก็ในเรื่องของอาการ ทำทานตั้งแต่แรกเกิดถึง25ปีหรือในช่วงปฐมวัยผลของช่วงที่เป็นมัชิมวัยคือ 27-50 ปีแล้วก็ผลปิมวัยคือ51ปีจนถึงสิ้นอายุไขนะคะซึ่งผลของการที่ทาทานการก่อนทําขณะทาหลังทานั้นก็จะได้ตรึกได้ถูกต้องว่าเราควรมณสิการอย่างไร สำหรับวันนี้ขอจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนขออนุโมทนากับทุกท่านทุกคนเทินขออนุโมทนาค่ะ